จากสังสมไม่สังสมอะไรเลิกสังสมรูปสักทีโอ้ยเลิกสังสมได้ยังไงหมดไปเป็นสิบมวลเลยนะนี่โตเลิกสังสมรูปเนี่ยไม่ใช่เลยนะไอคาว่ารูปไม่ใช่ภาพอนะไม่ได้สังสมแค่ภาพถ่ายหมายถึงว่ารูปกระขันเลิกสังสมรูปกระขันสักทีหนึ่งเลิกสังสมเวทนาขันเลิกสังสมสัญญาขันเลิกสังสมสังขารขันเลิกสังสมวิญญาณขัน จริงนะเราทั้งหลายก็สั่งเวทนาขันไหมหาผ้าเนี่ยเพื่ออะไรหาผ้าเพื่อสั่งสมเวทนาขันนะโดยธรรมชาติตรงๆก็หาผ้าก่อนใช่ไหมก็เพื่ออะไรเพื่อเพื่อให้มันมีเวทนานะให้มีสัญญามีสังขารและมีวิญญาณมันโดยกิจกรรมรวมๆแล้วนะถ้าใครไม่ทําปริญญาเนี่ยคือกิจกรรมการสั่งสมขันห้าโดยรูปแบบจริงๆแล้วนะการใช้สอยปัจจัยสี่ทั้งหมดเนี่ยคือการ สั่งสมขันห้าแต่แต่ทีนี้ถ้าอริยมรรคไม่เกิดนะมันเป็นการสั่งสมขันห้าในชาติหน้าอีกแล้วนี่นะไม่ใช่สั่งสมแค่ขันห้าในชาตินี้เท่านั้นนะยังสั่งสมขันห้าในชาติต่อๆไปแต่ถ้าที่เจรนาตามสูตรที่พระองค์แนะนําทั้งหมดนะเลิกสสมจากกระจายจะไม่ถือมั่นจะไม่ร่วบรวมจกทําให้มันมอดจะไม่ก่อให้มันลุกโรงอีกแล้นะเพราะถือว่าสิ่งนี้เลวร้ายมาก แน่ใจนะว่าโอ้โหเนี่ยเรานี่เลือใช้มากขนาดนี้เลยหรือไม่แน่นะเราวิญญาณจะกระจายเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจะไม่รวบรวมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะไม่ก่อให้อ่าจะทํารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้มอดจะไม่ก่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ลุกโปล่นะต้องสรุปว่าอะไรต้องการกระจายเนี่ยนะ เลิกสั่งสมจะ ก, กระจายจะไม่ถือมั่นจะไม่รั่วพรวมจกทําให้มันมอดจะไม่ก่อให้มันลุกโผล่อีกนะเพราะถือว่าสิ่งนี้เลวร้ายมากแน่ใจนะว่าโอ้โหเนี่ยเรานี่เลวไ้มากขนาดนี้เลยหรือไม่แน่นะเราดิเลวร้ายขนาดนี้จริงหรือ <c oughs> ก็ยังเราอีกนะห่วงมแม่แม่เราจะเลวร้ายขนาดนี้เลยหรือย่างไงนะ เอาเถอเด้อป่วยแล้วจะรู้สึกว่าเออใช่ใช่ใช่เชื่อแล้วเชื่อแล้วเน่นะถามว่าต้องรอให้ป่วยถึงวันนั้นก่อนใช่ไหมจึงเชื่อว่าเอาเร็วร้ายจริงๆเลยนะไม่ต้องรอรอกนะถ้าหากว่าปฏิบัติได้ตามนี้เนี่ยนะว่าพ่อองค์เขาจัดว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายอริยะสาวกผู้ได้สะดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้จะเบื่อหน่ายแม่ใน รูปจะเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชาติว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วเกติที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นพวกความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีก็กลายเป็นพธาตุนะาหันแน่นะพธาตุหันนี้ผู้ปราศจากการสั่งสมแล้วดารงอยู่ คือปุตตชนเนี่ยเป็นพวกสั่งสมขันห้าพระอริยกาลังทําลายการสั่งสมขันห้าพระอริยะเบื้องลา่างนะถ้าพระอรหรนะันน่ะเลิกสั่งสมเสร็จแล้วก็อยู่ปุตุชนเนี่ยไม่ละใช่ไหมไม่ละขันห้าพระอริยะกําลังละขันห้าพระอรหันละเสร็จแล้วดํารงอยู่ปุตุชนเนี่ยขยายขันห้ า, ารพระอรหันเอ่าพระอาริยะทั่วไปเนี่ยกําลังเลิกขยายขันห้านะ ถ้าหานก็เลิกขยายเสร็จแล้วเนี่ยตั้งอยู่ปุถุชนเนี่ยก่อให้ลุกโผลพระเสขากำลังทําดับให้หมอดถ้าหานดับมอดเสร็จแล้วก็จะขันห้าเลิกมีขันห้าเป็นอารมณ์สถทีด้วยอำนาจของอริยมรรคอันนั่นแหละคือการแทงตลอดอริยสัจ รรวัวนเ ท, ทวดาทั้งหลายก็นมาสการเลยว่าข้าแต่ท่ า, าบนบุรุษอาชาในข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมท่านข้าแต่ท่านผู้เป็นอุดมบุรุษข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมท่านผู้ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายอับแล้วทําให้หมอดแล้วเลิกสังสมเสร็จแล้วอันนี้พระรหันนี้ก็เป็นอย่างนี้ลู ก, ก่อนพิสูจทั้งหลายเทวดาพร้อมทั้งพรอินพระพรหมเท้าประชาบดีย่อมนอมาสการพิสูจผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้พ้นจากอะไร ผู้ที่หลุดพ้นจริงๆคือหลุดพ้นจากขันห้าเลิกมีขันห้าเป็นอารมณ์สัทีด้วยอํานาจของอริยมรรคอันนั่นแหละคือการแทงตลอดอริยสัจวันเทวดาทั้งหลายก็านามาสการเลยว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาในข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมท่านข้าแต่ท่านผู้เป็นอุดมบุรุษข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมท่านผู้ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายไม่รู้จักโดยเฉพาะและผู้ซึ่งได้อาศัยเพ่งพินิจอยู่คือขอนอบน้อมท่านไม่รู้ว่าท่านมีอะไรเป็นอารมณ์อยู่ ปกตินะกขั ค, คิดเรื่องอะไรอยู่ท่านจะรู้ใช่ไหมเทว ด, ดาของเขาจะรู้รพอพระอรหันต์มีนิพพานเป็นอารมณ์เข้าพระสมาบัตินึกไม่ออกแล้วท่านกําลังรู้อะไรอยู่ตอนนี้ น, นะก็เลยว่ารู้ไม่ได้เลยนะเขาขอนอบน้อมท่านว่าทำไมท่านไปได้ไกลขนาดนี้นะข้าพเจ้าไม่รู้เลยว่าท่านคิดอะไรอยู่ว่ากันอันนี้เทว ด, ดาก็เลยนอบน้อมอันนี้ก็เป็นข้อความในคัจฉิยสูตรซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีการทําปริญญาอีกวิธีหนึ่งในบรรดาวิธีทั้งหลายเนี่ยนะในขันธวารวัตร ท่านทั้งหลายก็คงคงสนใจเรื่องปริญญาเป็นพิเศษนี่นะฮะก็คงต้องจําหลักกว้างๆไว้ฮถ้าหากว่ามันเป็นทุกข์สัตย์แล้วก็หรืออุปาทานขันห้านี่ก็หมายความว่าต้องทําปริญญาแน่นอนไม่ไม่ไม่มีทางหลีกคลเลยถ้าจะบรรลุ น, นี่ถ้าไม่ทําปริญญาก็ไม่ใช่แน่นอนอีกอย่างถ้าทําปริญญาเป็นหรือไม่เป็นแนละ้วก็ก็ลองดูถือว่ามันคือการเจริญพิปัสนา น, นั่นแหละ วิปัสสนากับปริญญาอะถ้าท่านเข้าใจมาก่อนว่าถ้าทําวิปัสสนาหรือเจริญวิปัสสนามานี่นะว่ามันเหมือนกับที่ปริญญาปริ ญ, ญานี่ไหมถ้าท่านเข้าใจว่าวิปัสสนาท่านเดิมถูกนะก็หมายความว่าปริญญานั่นนะ่ะก็ต้องเหมือนแบบนั้นน่ะแต่ถ้าผิดไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าผิดถ้านำมาดูก่อนน่ะปริญญาในที่ที่ทีได้ที่เราได้ได้ไ ด, ดฟังได้เรียนใหม่ๆอย่างนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะไหนเนี่ยทําไม่ตรงกับของเก่ า, ขาการเจริญปัสสนาแสดงว่า นีพพานาเดิมท่านก็ไม่ถูกแน่นอนที่อย่างหนึ่งผมคิดว่าขึ้นชื่อว่าปริญญาเนี่ยแปลว่าแปลว่ารู้รอบรู้ทั่วนะฮะคือเพียงแต่ลักษณะที่จตุ ก, กาเนี่ยวจะบอกว่านี่เป็นเป็นยาตัปริญญาเนี่ยนะก็นี่ก็เป็นเพียงสี่หัวข้อเท่านั้นเองที่สิ่งที่จะต้องรอบรู้รู้ทั่วมีมากกว่านั้นก็ต้องก็ต้องเข้าไปรู้อยู่ดี อ่พินเป็นอภินโยยะธรรมถูกไหมครับเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งอันนี้ก็แค่ขั้นการฟังเท่านั้นเองอะ่ะเป็นเป็นสุดธรรมยปัญญานี่นะะสมมุติว่าธรรมนั้นเขาไม่มีปัจจัยพวงแต่งเช่นนิพพัท ก, ก็ต้องพิจารณาไปถึงเหตุไกลด้วยก็ดีไม่พน้นเลว่าเหตุไกลบางยำ่ำจะชี้อะไรให้เราเห็นอะไทั้งหลายอย่างอันนี้อันนี้อย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องทําปริญญาแน่นอนถ้าจะบรรลุมรรคผล วนนี้ในอภินญญาณิเทศเนี่ยนะครับที่ผมสังเกต ด, ดูนะที่ว่าวัตถุสองได้แก่สังคตาสังคตะท่ากับอสังคตะท่าเนี่ยนะฮะก็ต้องมาทําอภินเป็นอภินยญยะธรรมถูกไหมครับเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งอันนี้ก็แค่ขั้นการฟังเท่านั้นเองอะเป็นเป็นสุดธรมญปัญญานี่นะฮะสมมุติว่าธรรมนั้นเขาไม่มีปัจจัยพูงแต่เช่นนิพานเนี่ยนะฮะ เราในฐานะที่เรารู้ยิ่ง ก, ก, ก็ต้องไปรู้ว่ามันไม่มีปัจจัยพุงแต่งอย่างนี้จะถือว่าจะเป็นยาตับริญยาไหมครับก็ไม่มีปัจจัยพุงแต่งแต่ลักษณะอื่นเขามีเหมือนไหอาจารย์อาจารย์สันติลองวิจารณ์หน่อยดิคือถ้ากล่าวไปแล้วเนี่ยนะเราไม่แทบว่าถ้ากล่าวถึงการเรียนปฏิสัมพิธาในปฏิสัมพิธามรรคเนี่ยในยานเจ็ดสบสเนี่ยในช่วงของสุตตามยายาญาณเนี่ยยังแทบยังไม่ต้องไปทําอะไรเลย คือเพียงแต่ว่าตั้งจิตรับรู้ว่าท่านอยากให้เรารู้อะไรก็พอละเนี่ยนะตั้งแต่สี่ลัมมยาญาณขึ้นไปแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มเอาเป็นเป็นเป็ น, ปนข้อปฏิบัติที่เป็นจริงละก็้งข้อเริ่มปฏิบัติจริงเนี่ยนะปฏิบัติการเลยเริ่มตั้งแต่สี่ลัมมายาญาณ นะปัตสมมาทิพภาวนามายญาณปัจญาปริกหายา น, ยาายานสัมมาสนาญาณอุทยพยาญวิปัสนาญาณสังขารุปเปฆายานเป็นตน้นอันนี้แหละเป็นลักษณะของการปฏิบัติอย่างแท้จริงส่วนสุตตาเมายญาณเนี่ยหมายความว่าทําความเข้าใจให้ดีก่อนว่าพระพุทธเจ้าท่านท่านรู้อะไรท่านสอนอะไรท่านอยากบอกเราให้ทำํำท่านอยากบอกอะไรเราเมื่อเราเข้าใจวัตถุประสงค์ของพระองค์ทั้งหมดแล้วพระองค์จะเริ่มบอกเราคุณต้องทําอย่างนี้นะคุณต้องเจริญอย่างนี้นะคุณต้องคิดอย่างงี้นะ โดยโดยที่เรารู้เหตุผลอย่างตลอดสายแต่ถ้ า, าว่าเรารู้เหตุผลไม่ทำที่ได้คิดทำเลยนะเหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าเขาบอกโอ้โหกับข้าวนี้อร่อยมากเลยเอามั่งดี๋ไปช่วยเลยเข้าไปในห้องครัวเองเลยนะไม่รู้ออกมาเป็นอะไรก็ไม่ทราบถ้าอย่างนั้นเราถ้าจะมีหลักฐานปรากฏนะครับว่าอาดั้งพวงเป็นอนัตตานี้ทุกนี้ทุกขสมุ ท, ทยัยนี้ทุกขเนิโรธนี้ ม่มีปฏิปทาความรู้ทั้งหมดนี้ชื่อว่าปัญญาที่ทรงจํำทำที่ได้กล่าวว่าทั้งหมดนี้ชื่อว่าสุตตะมายาญาณอันนี้ก็บอกว่าทั้ง16หัวข้อนั้นเป็นสุตตมายาญาณเ น, นี่ยนะก็บอกว่าชัดเจนอยู่แล้วเออก็อบายว่าปัญญาที่ทรงจํำทำที่ได้ฟังมาแล้วว่านี่ควรรู้ยิ่งนี้ควรกําหนดรู้นี้ควรละนี่ควรเจริญนี่ควรทําให้แจ้ง อันนี้เป็นฝ่ายเสื่อมนี้ฝ่ายดำรงอยู่นี้ฝ่ายวิเศษขึ้นนี้ทําให้ชั้มแรกกิเลสสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตานี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโรธคามมินีปฏิปทาความรู้ทั้งหมดนี้ชื่อว่าปัญญาที่ทรงจํำทำที่ได้กล่าวว่าทั้งหมดนี้ชื่อว่าสุตตมายายานอันนี้ก็บอกว่าทั้งสิหหัวข้อนั้นเป็นสุตตามายายานเนี่ยนะก็บอกว่าชัดเจนอยู่แล้ว เอ <Okay. S 1> ก็ก็ <Okay. S 1> สรุปว่าอภิญญยธรรมเนี่ย <Okay. S 1> ก็แน่นอนละก็จัดอยู่ถึงแม้ว่าแม้จะไปรวมอีกสามหรือสนะี่นั่นก็ตามนะฮะแต่อภิญญยธรรมเนี่ยก็กล่าวได้ว่าเป็ น, เ ป, นเป็นปริยัติที่เราจะต้องเรียนว่างั้นเถอนะนะต้องเรียน <Okay. S 1> ขั้นเรียนยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยเพราะฉะนั้นในขั้นอภิญญยธรรมเนี่ยท่านกล่าวไว้ว่าคือรู้อริยสัจสี่เมื่อรู้อริยสัจสี่เนี่ยต้องรู้นิโธรธสัจด้วยแสดงว่า แสดงว่าปริยัตธรรมเนี่ยนะฮะต้าไปรู้ขั้นขั้นฟังเท่านั้นขั้นรู้ก็คือืออะไรนะมาทําความเข้าใจกันก่อนนะนั่นแหะทำความเข้าใจกันก่อนนะเหมือนกับอะไรนะเหมือนถ้าพูดแบบอุปมาหน่อยก็เหมือนว่าพรุ่งนี้เราจะเดินทางเป็นต้นเนี่ยนะมาทําความเข้าใจกันก่อนนะว่าอะไรเป็นอะไรนะอย่างนี้ของเราเริ่มเดินทางกันใช่ในขั้นปฏิบัติที่จะทำปริญญาในขั้นปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็ไม่สงสัยแล้วเพราะว่าจะต้องเริ่มด้วยขั้นปริญยัติธรรม ถ้าขั้นปริเญยญธรรมหมายความว่าหมายว่าผ่านขั้นสุตธรมญาญานแล้วนะครับพอขั้นปฏิบัติเนี่ยนะฮะก็ก็ขั้นตั้งแต่ตั้งแต่คืออะไรยังไงนะว่าถ้าแบบว่าถ้าขั้นปริยัตคือฟังว่าเช่นฟังว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยอันนี้ปริยัติเนีนน่ยน้อยนะ แต่ถ้าปฏิบัติก็เริ่มมาเอ้นี่มันรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญาณนี่ก็รูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญานี่ก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาชี้ไปตรงไหนก็มีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาอันนี้เป็นลักษณะของการการปฏิบัติจริงๆก็หมายความว่าเขาเข้าไปเห็นสภาวะธรรมจริงๆคือเ้าี่่เนมไอาเรื่องนั้นมาคิดจริงๆอะนะว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะแล้วก็ไอ้คิดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่คิดครั้งเดียวอะมันคิดเป็นจนกว่าจะเห็นว่า ก็จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าหมดเลยอยาสมมติเราฟังเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะว่ามองเห็นหน้าใครปักกระเดินไปหาความเกิดแก่เจ็บตายหมดนะจนกว่าจะอย่างนี้ได้จริงๆอ่ะเห็นอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าว่าเจริญสิ่งนี้จริงอ่ะเชื่อละเหมือนอย่างว่าถ้าเป็นโพรมิหารนี่ชัดใช่ไหมฟังนะว่าเราจะต้องมีเมธเพ้นมหสติประธานสูตรบรรลุเท่าไหร่สามหมื่นรูปมหสติประธานะที่แสดงที่กุรุนัะบรรลุสามหมื่นรูปตอนนั้นอาจไม่ได้บวชกับท่านหรือไงไม่ทราบ แล้วก็ลักษณะว่าถ้าผู้ที่สมัยพุทธกฏิบัติคือบารเจริญให้มันเป็นเมตตาอย่างนั้นนะพันก็ในด้านสูตรบางคนฟังเจริญได้เลยเช่นค น, คนสมัยพุทธการเนี่ยนะคนสมัยพุทธการเนี่ยถามว่าผู้ที่บรรลุสบายเนี่ยฟังบรรลุพ่ออะไรมากที่สุดฟังไม่เคยว่าแยกเขาไปเข้าไปในป่าแล้วบรรลุ พ, พร้อมกันห้าพันรูปนี้ไม่มีแต่ถ้าฟังอยู่บรบรรลุเช่นมหาสติปัฏฐานสูตรบรรลุเท่าไหร่สามหมืนรูป มาสติปรฐานะที่สแสดงที่กุรุนะบรรลุสามหมื่นรูปตอนนั้นอาจไม่ได้ บ, บวชกับท่านหรือไงไม่ทราบแล้วก็ลักษณะว่าถ้าผู้ที่สมัยพุทธกาลเลยเนี่ยเช่นเขาพูดฟังอัศวภาสนี่เขาเห็นอย่างนั้นจริงๆเลยอะ่ะเห็นจนเขาเบื่อหนอ่ายจริงๆเลยนะอย่างบางคนเนี่ยฟังตับได้ฌานเลยอะ่ะทําได้จริงๆด้วยอะ่ะเช่นบางคนเนี่ยฟังพรหมมิหารเนี่ยฟังจบเจริญได้พรหมมิหารเลยไ ด, ได้ได้เมตตาได้ฌานเลยจริงๆ บางผู้บางพูงพ้ที่เขามีความสามารถนี่สามารถอย่างนั้นเหมือนอย่างว่านะบางคนนี่ฟังโจบอธิบายด้วยท่าอาจารย์ก็มีอย่างเงี้ยคือบางคนเขามีความสามารถขนาดนั้นซึ่งไอความสามารถเหล่านี้นี่หลายเรื่องมันก็เป็นของเฉพาะตัวน ะ, ะก็ผมว่าก็มันน่าจะสงสัยอะไรมากแนละ้วเพราะว่าอภินญยยธรรมเนี่ยเขาบอกแล้วว่าการเข้าไปรอบรู้ในอริยาาสัจสี่นี่ก็คลุมหมดแล้วแค่อริยสัจสีนี่ก็คลุมหมดเลยในในปรมัตถธรรม สี่นี่นะฮะจิตเจตสิกรูปนิพานหมายความว่าเป็นภิญญาธรรมหมดเลยถูมาข้าวอาจารย์เพราะว่ารู้อริยรรสัจสีเนี่ยการที่รู้อริยรรสัจสีเนี่ยน่ยยังไม่ต้องบอกว่าสังขตธรรมอสังขตธรรมอ่ะ ร, ร, รวมหมดแล้วทั้งทุกขสัท์ทั้งสมุทัยสัคือการวางโครงสร้างการการกล่าวธรร ม, มะเนี่ยนะยังเพราะมาอยากจะเสนอในอีกทิศหนึ่งว่าการกล่าวถึงจิตเจตสิกรูปเนี่ยนะ เป็นคําย่อของอภิธรรมปีดกไม่ใช่ว่าไปที่ไหนก็ขายแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่ก็ในในในคาถาที่พานรุท ธ, ธาจารย์นี้ก็บอกอยู่แล้วตรงๆแล้วตัดฐาวุตตาพิธรรมรรมัทธะจะตุถาปรมาทโตเนี่นะในบรรดาพิธรรมปีดกเจ็ดคำพีทั้งหมดนั่นนะถ้าว่าเนื้อหาโดยสรุปนะมันก็มีจิตเจตสิกรูป น, นิพานเพราะว่าเวลาขยายในะส ม, มุทธ h ถ้าใครที่ไม่ไม่ได้เรียนพื้นฐานนี้มานะ กุศลธรรมมากุศลธรรมมาพยากตาธรรมมาสุขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมมาไล่ไปอย่างนี้แล้วก็ตะมีธรรมมากุศลายสมิงสมยเพูดปั๊บเนี่ยมันจะกว้างขวางเหมือนกับอแผ่นดินเลยนะมันจับอะไรไม่ได้สักอย่างเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นท่านนรุทธะผ่า น, นี่ไม่ใช่ถึงขนาดว่าไปที่ไหนก็จิตเจตสิกรูปเอาสูตรไหนมาก็จิตเจตสิกรูปไปหมดเลยนะมันก็ว่าอ่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากสักเท่าไหร่ แทนที่กลายเป็นเรื่องดีหมายความว่าไปที่ไหนขายแต่ไอไอไอไอจิตเจตสิกรูปกลายเป็นว่านาเพตนาเป็นอัตกถามทำความเข้าใจตัวนี้ให้ดี น, นะแล้วเจตสิกนะคุณมาแบ่ง น, นะเป็นสังขารในอันนี้เข้ากันได้อันนี้เข้ากันไม่ได้ถ้าคุณเข้าใจแล้วคุณมาดูวิธรรมนะคุณเอาหน้านี้มาจับนัมันเข้าอะไรบ้างคือมันเป็นว่า เ, เป็นรหัสย่อในการเรียนพระพิธรรมอันนั้นคือวัตถุประสงค์ของอภิธรร ม, มัทสังขาะ ทีนี้ไม่ใช่ถึงขนาดว่าไปที่ไหนก็จิตเจตสิกรูปเอาสูตรไหนมาก็จิตเจตสิกรูปไปหมดเลยนะหมายความว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากสักเท่าไรมันนะแทนที่กลายเป็นเรื่องดีหมายความว่าไปที่ไหนขายแต่จิตเจตสิกรูปกลายเป็นว่าจิตเจตสิกรูปเป็นอัตก ถ, ถาหมห ah, าอัตกระ ถ, ถ า, ทาที่ขยายได้ทุกเรื่องนะมันก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นไปทีนี้อะไรที่ไม่เกี่ยวกับจิตเจตสิกรูปบอกเลยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ก็นนะเลยเช่นพระวินัยบัญญัติเป็นต้นไม่เห็นมีจิตเจตสิกรู้อันนี้เป็นบัญญัติไม่ใช่ปรามัดก็เลยอมันก็ไม่เป็นไปตามวัทธุประสงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งการวางโครงสร้างบางอย่างนั้น น, นะนะไม่ใช่ใกล้พระรัตนตรัยขึ้นเลยอันนะการวางวิธีการบรรยายธรรมะบางอย่างการแสดงพระธรรมบางอย่า ง, า ง, า ง, างนั้นทําให้เราห่างพระรัตนตรัยโดยไม่รู้ตัว น, นะพี่อย่าตกเก้าอี้ก็แล้วกันเลอเลย เออผมผมเข้าใจที่ที่พระอาจารย์พูดนี่นะคือหมายความว่าถ้าเพียงแต่ว่าเอาตัวสภาวะธรรมมาครบหมดเลยเนี่ยนะสภาวะธรรมมีทั้งหมดจิตใจสิกรูปนิพพานมีเท่าไหร่เนี่ยร้อยกว่าเนี่ ย, ร, ย, ยร้อยเจ็สิบเนี่ยนะเอามาหมดเลยเนี่ยนะฮะแต่ก็ยังไม่เพียงพอถ้าพูดเท่านี้หมายความว่าเราได้ครอบลุมทุกสภาวะธรรมแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะมาทําปริญญาเพราะว่า เช่นหน้าที่ของเขาเหล่านั้นเช่นในเรื่องของอายตนะถูกไหมครับก็ต้องเข้าไปทําปริญญาว่าเออเวลาอาจิตเจตสิกรูปเนี่ยเขาทําหน้าที่ในลักษณะที่เป็นอายตนะเนี่ยมันจะต้องทําไปในลักษณะปฏิจจสมุปบาทยังไงบ้างจนกว่าจะเดินเรื่องไปถึงชาติชรามรณะใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าก็ยังอยู่ในยาตาปริญญาอยู่ถูกไหมครับเพราะว่าการการวางบทพระธรรมเนี่ยนะ พอมาจึงเริ่มสายวิธีการแสดงแบบพระไตรปิฎกในสูงมากอย่างการสนทนาธรรมเหมือนกันว่าการสนทนาใดถ้าไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนี่ยโอ้โหอันนี้เหนื่อยจริงๆเลยเราฟังนี่เหนื่อยมากเลยไม่รู้เขาเดินเรื่องให้เป็นอะไรมันเหมือนกับว่าพูดคือบางเรื่องเนี่ยนะเหมือนกับว่าธนาอาธรรมได้เกิดขึ้นแล้วใช่ไหม แล้วก็การสนทนก็มีแต่แปะธรรมะที่ของสวากขาโตเนี่ยทําไมเขาจึงชม่สวากขาโตเพราะอาธิกัลยานางมัตเชกัลยานางปริโยศาถ้าหากว่าผู้ที่กล่าวธรรมผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยควรมีทิฏฐิธรรมที่ชัดเจนว่าว่าทําไปเพื่ออะไรอะไรลักษณะใดเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่หมายถึงผู้การ น, นะแต่ว่าพูดถึงว่าผู้ที่จะศึกษาพระธรรมต่อไปเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นเลยถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเราไม่มีความชัดเจนอะไรเลยนะ ก็อย่างที่กล่าวว่าเอ้สนทนาธรรมน่าดํากว่าไปเลยอะไรเกิดขึ้นอสนทนาอธรรมได้เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วก็การสนทนาเนี่ยถ้าเป็นธรรมะที่ของสวากขาโตเนี่ยทําไมเขาจึงชมสวากขาโตเพราะอาธิกัลยานังมัเชกัลยานังปริโยสานกัลยานังของเราทั้งหลายควรตั้งอัตตะสัมมาปณิทิไว้ว่าจะต้องเตินไปตามแนวนั้นความเจริญจึงจกมีขึ้นเราจะใกล้ชิดพระรัตนะไกยมากขึ้นนั่นเอง ก็แบ่งกันวางพวกกลางเล้เนเอื่นอยู่ไกลหน่อยนะก็ไม่ทักกันนะทักไกลๆก่อนนั่นนะเคยมีอยู่สูตรหนึ่งนะเขามาชอบอีสูตรหนึ่งอยากจะอ่านให้ฟังกันนะเอาไว้ประกอบการพิจารณาในคัตทูและสูตรที่หนึ่งคัตทูและสูตรที่หนึ่งเนี่ยนะกรุงสาวัตถีเหมือนกันนั่นนะใช่แปลว่าถูกล่ามแล้วแต่ว่าถูกล่ามถูกล่ามล่ามแค่ไหนนะเรามาดูว่าเราถูกล่ามมาขนาดไหนแหละณพระวิหารเชตาวัน พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสังสาระนี้มีที่สุดที่ใครๆตามไปรู้เนี่ยนะที่ใครๆตามไปแล้วก็รู้ไม่ได้แล้วว่าเงื่อนต้นของสังสารวัฏนี้ไม่ปรากฏสำหรับสัตว์ทั้งหลายผู้มีวิชาเป็นเครื่องกลางกันมีตันหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ถอยหลังนะถอยหลัง ถอยหลังชาติที่แล้วถอยหลังชาติสองชาติสามชาติร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติล้านชาติตลอดสังวัตกรรวิวัตกรรตลอดหลายๆสังวัตกรรวิวัตกรรจนถึงอาสงไข่หลายๆลาโกดล้านอาสงไข่จนถึงอาสงไขยอ า, ยาสงไขยอาสงไข่ไล่ไปยัง น, นีไม่มีจบมีสิน้นยาวจริงๆเลยนะ มันแค่คิดเรื่องชีวิตชาตินี้ที่ผ่านมานี่ก็โอ้โหทำไมันยาวนานขนาดนี้นะถ้าแบบหลายๆพันหลายหมื่นหลายลาย้นล า, ลานาากฎชาตินะเขาบอกว่าหนึ่งวินาทีเนี่ยต่อหนึ่งชาตินะเหมือนกับเราพลิกดูรูปในอัลบั้มเนี่ยพลิกไปเถอะเป็นล้านปีก็พลิกไม่หมดว่าแต่เราตถาคตไม่กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มียวิชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่จั ก, กรธรรมที่สุดแห่งทุกข์ได้ท่นนี้ชอบมากเลยนะ บอกทะน้ําทะเลมันยังแห้งได้แต่วัาตาของสัตว์ก็ตามเดิมเนี่ยนะเปี่ยมเหมือนเดิมมันไม่มีแห้งเลยเนี่ยนะสําหรับผู้มีอวิชชาการกั้นมีตันหาเป็นเครื่องอ น, นะมีอวิชชาเป็นสังมีอวิชชาเหมือนกันหมดเลยนะถ้าเป็นสูตรอื่นก็บอกว่าน้ําตาที่เราเช็ดเช็กันนี่ก็มากกว่าน้ําทะเลแล้วว่างั้นดูก่อนพี่สูตทั้งหลายสมัยที่มาหาสมุทรเหือดแห้งน้ําไม่มีน้ําก็ยังมีอยู่ แต่เราตถาคตไม่กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มียวิชาเป็นเครื่องกลกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่จั ก, กรธรรมที่สุดแห่งทุกข์ได้อันนี้ชอบมากเลยนะบวกทะน้ําทะเลมันยังแห้งได้แต่วต่าตาของสัตว์ก็ตามเดิมเนี่ยนะเปี่ยมเหมือนเดิมมืนนั้นไม่มีแห้งเลยเนี่ยนะนะสำหรับผู้มียวิชากลางกั้นมีตันหาเป็นเครื่องอันนะั้นมีวิชาเป็นสังเมียวิชาเป็นนิวรมีตันหาเป็นสังโยชนีน่นะเขาถูกล่ามไปเรื่อยใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะล่ามไปไหนบ้าง อภิชาก็ปิดตามเดิมไม่เห็นเหนอริยสัจนะเมื่อวานนั่งทำตาปริบๆก็ไม่เห็นอริยสัจเหมือนวันนี้เลยดูว่าพรุ่งนี้จะเห็นหรือเปล่า น, นะคุณกัมตาคิดว่าเห็นไหมพรุ่งนี้จะต้องปิ้งให้ได้เลยลืมตาโอ้นี่ทุกข์อะไเงี้ยนะแบบคิดดัแบบยมอุ่นนะตื่นมาอะไรนะอ๋อทุกข์ใช่เลยไงนะเออนี่ทุกข์อะไรเนี่ยนะนะ อ, อย่างนี้ก็เจอเจอเมื่อเช้าเป็นอย่างนั้นไหมเอ่อเมื่อเช้าก็เป็นอย่างนั้นแล้วดูว่าก่อนนอนะคิดอย่างนี้จนหลับไปอีกเลยนะตื่นขึ้นมาค ไปไหนอสุขโตไปดีแล้วนะ <laughs> สุขติเลยก็ว่าดูความพิสูจนทั้งหลายสมัยที่ภูเขาซเซเนรูระเซเนรุเขาซเซเนรุคือเขาไหนเขาที่ตั้งแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะที่ลึกเข้าไปในน้ำทะเลแปดหมื่นสี่พันโยโผล่ขึ้นข้างบนสูงอีกแปดหมืนสี่พันโยธเนี่ยนะถูกไฟไหม้พิหนาไม่ปรากฏยังมีอยู่ไอ้เขาที่มันดูตั้งมั่นขนาดนี้นะ แต่เราตถาคตไม่กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีวิชาเป็นเครื่องกลากั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกมัดท่องเที่ยวไปมาอยู่จับทำที่สุดแห่งทุกได้เลยภูเขาสีนรูปมันแตกทําลายเนี่ยมีได้ใช่ไหมแต่ตันหาก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมเนี่ยนะ <c oughs> นึกถึงว่าพูดถึงตันหาที่เป็นเหมือนกับสังโยชน์เนี่ยตันหาคือสังโยชน์ที่ผูกเอาไว้นะ วันก่อนที่ผู้การมองเห็นรถที่เขาบรรทุกไอ้ล้ อ, อ ก, กลมๆมันนะไม่รู้แผ่นอะไรคล้ายๆแผ่นสังกะสีนะแต่มันแผ่นเหล็กเนี่ยที่มันมันเป็นแผ่นๆเนี่ยเหล็กแผ่นแล้วม้วนม้วนมวนแล้วก็ใช้โซ่เนี่ยตึงตรึงตรึงเอาไว้นะเขาบอกว่าผู้การบอกว่าเออนั่นก็ยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ของเราจริงๆนะจริงๆแล้วเนี่ยเราเวลาลืมตาปั๊บเนี่ยหายไปหมดเลยนะแผ่นดินเนี่ย แต่เราตถาคตไม่กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มียวิชาเป็นเครื่องกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่จักทําที่สุดแห่งทุกข์ได้เลยเนี่ยนะแผ่นดินนี่มันใหญ่ขนาดนี้ยังหมดได้นะแต่อวิชากับตันหาเนี่ยมันทําให้ไม่ได้หมดอะไรเลยนะมี่แตหนาแข็งแรงขึ้นพลังโยชนเนี่ยมันไม่ไม่ธรรมดาจริงๆมันติดมันคล้องมันือปนก็บอกว่าภูเขามันแตกทําลายเนี่ยมันเป็นไปได้ใช่ไหมแต่ว่าอวิชากับตันหาก็ยัง ตามเดิมเนี่ยนะแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมอีกสมัยที่ผืนแผ่นดินใหญ่ถูกไฟไหม้พินาศไม่ปรากฏยังมีอยู่เนี่ยนะมันอันตรธานหายไปหมดเลยนะแผ่นดินเนี่ยแต่เราสถาคไม่กล่าวว่าสาสตร์ทั้งหลายผู้มียวิชาเป็นเครื่องกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่จากทําที่สุดแห่งทุกได้เลยเนี่ยนะแผ่นดินเนี่ยมันใหญ่ขนาดนี้ยังหมดได้นะแต่วิชากับตันหาเนี่ยมันทําให้ไม่ได้หมดอะไรเลยนะนีแต่นาแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้น ดูความพิสูจนทั้งหลายสุนัขที่ล่ามเชื่อโดยความเป็นอัตตาเขาอันมั่นคงมันก็วิ่งวนอยู่ในหลักหรือเสานั่นเองแม้ชันใด น, นะพูดถึงหมาเลยนะหมาล่ามโซ่เ่ยนะเอาลิงก็ได้นะลิงล่ามโซ่เงี้ยนะ แม้ฉันใดปุตุชนผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นผ้าเรียเจ้าไม่ฉลาดในธรรมะของผ้าเรียเจ้าไม่มีวินัยของผ้าเรียเจ้าไม่เห็นสัตว์บุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตว์บรุษไม่มีวินัยของสัตว์บุรุษก็ฉะนั้นเหมือนกันตามเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาตามเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาตามเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตาตามเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตาหรือตามเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาหรือตามเห็นว่าวินอรูป ตามเห็นอัตตาว่ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยในอัตตาหรือตามเห็นอัตตาในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเขาก็จะแล่นวนเวียนอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณวันนี้ใครคิดพ้นขันห้าบ้างไหมเออนะถ้าคิดพ้นนะเดี๋ยวจะมีของฝาก ขอทําบุญด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะร่วมกันถวายทานกันเลยนะถ้าคิดท้นขันห้าเนี่ยนะเพราะว่าโอ้โหนั่นผู้นั้นแทงตลอดอรค์กรสัตว์แล้วเอ๊คิดออกจากขันห้าได้ยังไงเนี่ยนะของเราทั้งหลายหาทางออกจากขันห้าแต่ว่ามันยังออกไม่ได้เนี่ยนะก็รู้ว่าขันห้าไม่ค่อยดีเท่าไรมันยังมีดีอยู่บ้างก็ <c oughs> เลยไม่คิดจะออกทุกปีอยนะ่างเงี้ยคิดออกก็ออกบางส่วนนะนะเหลือไว้บางส่วนก็นยังออกไม่หมดอนยะ่างเงี้ยทัานผู้บุรุชนทั้งหลายเวลาจะเล่นก็เล่นไปใน ขันห้านั่นแหละแล่นวนเวียนคิดคิดอยู่วนอยู่ในห้อขันนี่แหละนะคิดวนอยู่รูปฟวธนาสัญญาสังขารวิญญาณเดี๋ยวเวใครคิดพ้นขันห้านำมาเล่าให้ฟังด้วยว่าคุณทําได้ยังไงนะท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีจริงๆคิดออกจากขันห้าได้นะแต่คิดจะออกนี่มีอยู่แต่คิดแล้วออกเลยเนี่ยมันนึกไม่ออกคิดได้ยังไงเนาะคิดแล้วหลุดเลยนะคิดแล้วออกจากขันห้าได้เลยเนี่ยโอ้ทําบุญมาดีจริงๆท่านก็ขันห้าไหมคิดคิดถึงว่าทาไมคนนั้นเขาคิดอย่างนั้น ก็คิดถึงขันห้าอีกนั่นแหละคิดยังไงก็ไม่พ้นขันห้าคิดถึงเรื่องมันซับซ้อนขนาดไหนก็ตามนี่แหละคิดแบบไอสไตล์ก็ตามเอะมันก็ยังคิดอยู่ในขันห้าอีกนั่นแหละหากรรมมณีมิตรขึ้บนแค่อะไรอีกนะกลับไปหากรรมกรรมมิีมิตรคตินิมิตรต่อดีกว่านะไปหากรรมเก่าดีกว่าไปหาขันห้าเก่าเก่าดีกว่าแม่ก็โดยสรุปว่าไม่พ้นขันห้านะไปอยู่ตรงไหนจะพ้นขันห้าไม่มีแล้ว เมื่อเขาวนเวียนอยู่นะก็วนเวียนอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคิดถึงบ้านก็ขันห้าไหมคิดคิดถึงเอ๊ะทาไมคนนั้นเขาคิดอย่างนั้นก็คิดถึงขันห้าอีกนั่นแหละคิดจะไงก็ไม่พ้นขันห้าคิดถึงเรื่องมันซับซ้อนขนาดไหนก็ตามเนี่ยะ